เรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตสมัยนั้นภิกษุสองรูปชื่อเม ธ, ธะและโกกุฑะเป็นพี่น้องกันเกิดในตระกูลพราหมณ์พูดจาอ่อนหวานมีเสียงไพเราะภิกษุทั้งสองรูปนั้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าเวลานี้ภิกษุทั้งหลายต่างชื่อต่างโคด ต, ต่างเชื้อชาติต่างประกูลพากันออกบวชภิกษุเหล่านั้น ทำพระพุทธพจน์ให้ผิดเพี้ยนด้วยภาษาของตนขอวโรกาสข่าพระพุทธเจ้าจะขอยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าขอวโรกาสข่าพระพุทธเจ้า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 ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตรูปใดยกขึ้นต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะด้วยภาษาของตน